14. เวลาทำงานที่ต้องคิดไม่ใช่เวลาเจริญสติวงเล็บเปิด 4. มีนาคม2551เในวงเล็บ 2. จุดจุดนาที 22. วงเล็บปิดเวลาทำงานต้องจดจ่ออยู่กับงานไม่ใช่เวลาปฏิบัติเขาจ้างเราทำงานไม่ได้จ้างเราปฏิบัตินะ ถึงเป็นบริษัทของเราเองก็ต้องคิดเรื่องงานเวลาทํางานเวลาเราทํางานที่ต้องคิดไม่ใช่เวลาเจริญสติเราต้องจดจ่ออยู่กับงานไม่ได้มารู้กายไม่ได้มารู้ใจแต่พอเราทํางานไปแล้วเกิดอะไรแปลกปลอมขึ้นมาเช่นเกิดเครียดขึ้นมาให้รู้ว่าเครียดเราทํางานแล้วลูกน้องทําไม่ถูกใจเลยโมโหให้รู้ว่าโมโหแต่ใจจดจ่ออยู่กับงานนะแล้วอะไรแปลกปลอมเข้ามาแรงๆก็ค่อยรู้เอา ไม่ใช่เวลาเจริญสติอยู่ทั้งวันทั้งคืนต้องแก้นะ